บุ๊กทูหกสิบสามการตั้งคำถามสองดิฉันมีงานอดิเรกดิฉันเล่นเทนนิส Я ันเล่นเท н นิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเดี т е н เ и с н ы ส к น р คคุณมีงานอดิเรกไหมช่ м а ไม т ใ х о б o ดิฉันเล่นฟุตบอล Я ันเล่นฟุตบอลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ เดียุตบอลในไมดันเชกดิฉันเจ็บแขนวแมนบุดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยมยานมรคตกบุมีคุณหมออยู่ไหมคะเดียลดิฉันมีรถ ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะดิดฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยฉันมีเสื้คเกตกเีด้วยนมีเสื่อแจ็ก็ตางเกงีันื้อคกะาอยู่ที่ด้ันมีคะกายนด้ฉันมีจะาีนฉันมีจานด้ยฉันมีลกีดฉันมีมสซ้อมและช้อน เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะเดียเซลและร